สองวิธีนะครับหน้าเท่าไหรครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดข้สิบแปดแล้วสิบแปดหน้ครับสิบแปดแล้วนะวนะพิสูรรูปใดเพิ่มนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีซึ่งเตียงก็ดีม้าหน้าก็ดีที่มีขาเสียบเข้าในแม่แค่โดยไม่มีสลับยึดให้แน่น บนอุูดีชั้นบนที่สูงเลยสี ส, มมสัมัคชิมากรุษที่ยังว่างเาไม่ได้ปูกระดาษในมิหารของโสต้องอาบปาสิตติครับกุฏิสเหมือนเดิมนะถ้าบอกกุฏิชั้นบนมาที่ก็ไปกุฏิชั้นลอยหมายถึงกุฏิมันมีสองชั้นหรือว่าสามชั้นนะครับทีนี้ข้างล่างเนี่ย แล้วก็มีใต้ถุน <c oughs> นะครับข้างล่างก็อยู่ได้ น, นะข้างล่างเนี่ยสูงพอที่ไม่ก ร, รนะทมศีรษะบุตรเงองนะบุกลางกลางยืนขึ้นแล้วนะครับไม่กระทบไอ้คือคางข้างบนนะนะครับตอนน้องนี้ถ้าว่าข้างล่างมันไม่พอคนยืนแล้วก็โดนหัวใช่ไหมต้องค้มเดินนี้ไม่ออกนะครับอันนี้เอาห้องข้างล่าง น, นะที่มันยืนบุตกลางกลางยืนขึ้นนะครับแล้วก็ตรงคานเนี่ย เขาเรียว่าขาคือคือใชไหมไม่โดนหัวเข่านะครับคือไม่โดนขมันจะมีสองอันว่าอันคือที่ข้างๆนิ้วมคือที่ต่าที่สุดก็ไม่โดนหัว <c oughs> ละเดินเลนได้สบายข้าไม่ต้องก้มตัวใช้สอยได้ า, นาอนอนั้นทาอะไรนั้นทตีนั้นเขียนผิด <c oughs> เขาไม่ได้เขียนเปกูตีเขาเขียนภาพเตียงใช่ไหม <c oughs> เขียนเป็นผ้าเตียงนะอ๋อไม่ใช่เตียงครับไม่ใช่เตียงมันจะเป็นสองชั้นแบบเนี้ยรับแต่เขาก็ขาเตี๋ยบขาขาเตียบอันเนี้ยคขาหนีขาไม่แค่ไม่แค่เนี้ยผ่ามเตียงครัะอันนี้ไม่ใช่เตียงอันนี้ไม่ใช่เตียงอันนี้เป็นเป็นกุฏิเลยนะครับกุฏิสองชั้นหรือว่าสามชั้นนะครับ ไม่ได้เหมือนหน้าคำนะถ้าถจะมีแม่ไม่มีแมกแค่นะาปี๊อ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เข้าหมายแต่ว่าข้างบนแบบเข้าวางเตียงเข้าวางเตียงต่างอีกทีนะครับเคยเห็นบ้านบ้านนอกไหมครับที่บ้านใต้มันจะมีใต้ถุนใช่ไหมแล้วตอนนี่เขาทำยังไม่เสร็จนะหรือบ้านสองชั้นก็แล้วแต่เขายังไม่ทันได้ปูแผ่นกระดาษใช่ไหมมีแต่ตีไม้คาไม้เขืเอไว้ใช่ไหมครับเพื่ อ, อไว้ปูแผ่นกระดาษใช้นบนนะ แต่เขาทํานี้ไม่เสร็จนะครับพี่สุก็เอาเตียงไปวาไงไว้ข้างบนนะแล้วก็ไปนั่งไปนอนอยู่ข้างบนนะครับทีนี้พอดีเตียงมีหนายหญ่แต่เตียงในสิขาบุญนี้หมายถึงว่าเตียงที่เขาเอาขาสอดเข้าไปในแม่แค่นะครับคือขาสอดเข้าไปในแม่แค่รู้จักแม่แค่นะครับแม่แค่คืออะไรนะไอตัวขาข า, ข, าของเตียงถ้ากรียแม่แค่หรือว่าอันนี้นะเนี่ย มันจะมีแผ่นกระดานมีขาแล้วก็มีขาใช่ไหมครับขาคือตัวที่ก็วางแผ่นกระดานนะแล้วก็ขามาันเขาจะเอาขาเสียเข้าไปในแม่ไข่นะครับตรงขาตรงนั้นนะแต่มันไม่มีอะไรยึดติดไว้นะครับเขาก็ทํ า, าทแบบพวกช่างเลยมีวิธีนะเสียเข้าไปนะครับทีนี้มันมันก็ไม่ได้แน่นมากนะครับถ้าใครไปนั่งทับแรงๆเนี้ยนะขามก็จะหลดออกมาได้ เพราะไม right uhm? ่ม <Okay. S 1> ีชนะอะไรยึดติดเอาไว้นะครับอันนี้ข้อเสียออกไปเห็นเตียงประกอบนะครับเตียงประกอบนะชั้นอะไใช่ไหมนั่นนะครับไม่ใช่เตียงไม้ก็มีสมัยก่อนก็มีนั่นนะครับอันนี้เนะแรกเป็นยังไงครับเป็นบุติชั้นบนอนี้สองหสามชั้นก็แล้วแต่นะแล้วเตียงไปวานเตียงที่มีขาสีก็ไปในแม่แค่นนะครับแล้วคู่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็ไปนั่งท่ำนอนท่บเตียงนั้นนะครับอันนี้แค่นี้อะนะ ต้อบอกไปตีในสีข่ขาบท น, นี้แล้วครับเพราะมันจะเกิดอันตรายคน ท, ที่อยู่ข้างล่างได้นะข้างล่างมันใช้สอยได้นนัะ่เดินไปเนี่ยคือค้างไม่โดนหัวนะครับใช้สอยได้ไม่ต้องก้มแต่ว่าถ้าข้างล่างนะ่ยมันมันต้องก้มเดินไปนะเขาไม่ได้ใช้สอยาตามปกติหรือทําเป็นห้องเก็บท่าป้าสัมภาระเก็บสิ่งของอะไรอย่างงี้ยนะก็ไม่เป็นนะครับเอาเยาพาะที่ว่าใช้สอยได้ น, นะอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าต้องมาไปตีนในศิกษาหมดต่องไปมาดูต้นมันใหญ่ถ้าเราดูต้นเหี้ยนจะช่าอะไรนะเป็นยังไงนักธรรมกเขียนนี้ใช่ไหมครับตีสองชั้นคุณกุตินะบุป ไ, ไปดิบหาศาสตกุติยาไม่ได้คุยก่บตีนเลยดูเข้ามาดูทองที่บาอาต้นมันใหญ่นะเรื่องขึ้นสู่สองรูปนะครับโดยสมัยนั้นคุณมัทภาพพระเจา้ามาทําอยู่นพระเชตวัน อาลามของนัทามบิติกาข้ามบริเคพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพิสุสองรูปอยู่บนร้านในวิหารเป็นของสงเนี่ยนะฮะคือติรูปหนึ่งอยู่ชั้นบนรูปหนึ่งอยู่อ่ารูปหนึ่งมีชั้นล่างรูปหนึ่งอยู่ชั้นบนพิสุอยู่ชั้นบนนั่งทับโดยแรงเสื่งเตียงอมีเท้าเสียงเท้าเตียงตกโดนศรีรษะของพิสุผู้อยู่ชั้นล่าง พิสูจนั้นส่งเสียงร้องร่ำนครับโอ้โหเจ็บหน่าดูนะขาดเตียงหลงใส่หัวนะครับท่านร้องดังร่ำเลยนะพิสูจทั้งหลายทางกันวิ่งเข้าไปหามพิสูจนั้นว่าท่านส่งเสียงร้องทําไมเสียงพิสูจนั้นได้ชี้แจงเรื่องนั้นแก่พิสูจทั้งหลายเนี่ยก็ร่ากราะเป็นยังไงครับบรรดาพิสูจน์ผู้มั่งน้อยสัน ด, ดต่างก็เพ่งกันเตรียมพูนาว่าเช่นไรพิสูจจึงนั่งทับโดยแรงซึ่งเตียงมีเท้าเสีย คนร้านในวิหารเป็นของสงแล้วกับคุณเนื้อฟันแบบมุขภาคเจ้าจจพระองค์ประชุมสงฆ์ทรงสอบเท้าทรงตีเตียงแล้วก็มายาสิกขาบท น, นี้ขึ้นมานะครับนี้นะเขาบอกว่ามีเท้าเสียบก็คือเขาสอบเท้าเสียเข้าไว้ในตัวเตียงนะครับเป็นร้านนะร้านที่ไม่กระทบศีรษะของมชิมากรุดข้างล่างนในใ บ, บมาได้สบายนะครับนี่มาดูคําอธิบายเนครับทีบ่มา ไอ้ น, นี่มือนตีนทหารเลยป่บนี่ก็ทำสองชั้นเนี่ยนนเขาต้องทาเป็นบันไดขึ้นซะหน่อยใช่ไหมครับที น, นี้มาดูความขึนมาในกัางขาเลยครับหน้าร้อยเจ็ดสิบห้าครับอธิบายเวหาสักุติสิกขาบทกุติเฮฟ้าเวหาเนะกุติชั้นบนนะนะครับกุติลอยฟ้าดบวันนี้ก็ไปกุติลอยฟ้าเลยนะ กุฏิสองชั้นหรือสามชั้นนะครับข้างบนไม่ได้ปูกระดาษนะพึงสร้างอาาธิบายสิกขาบทที่แปดต่อไปคําว่าอุปริเบหาสั ก, กุติยาไี่แก่ก<ม>ุฏิสองชั้นหรือสามชั้นนะเนี่ยผู้หนึ่กกุฏินะที่ไม่ได้ปูพื้นไว้ข้างบนไม่ยังไม่ได้ปลูกระดาษหรือว่ายังไม่ได้เทปูนะครับก็ในบทภาชนีพุทธมุขพระเจ้ า, าทรงประสงค์จะแสดงกุฏิที่มุ่งหมายเอาในสิกขาบทนี้ จึงตัดไว้ว่ากุติที่มันกระทบศีรษะของบุรุษปางการหมายถึงว่าบุรุษปางการเดินรอบไปได้สบายนะครับเ อ, อคําว่าอาหารจับปลาตกะกังไมายถึงเตียง ก, กุตินั่กุติออกไปนะมาถึงเตียงหรือตันที่มีเท้าเสียมว่าในตัวเตียงคําว่าอภินิษฐัยแะแปลว่านั่งทับนะครับนั่งทับเลยอีกอย่างหนึ่งคานี้เป็นศิยวิพันธ์ ใช้ในความหมายของสัตมีวิพัฒน์ที่บาศัพทสามสาบาลีนะอธิบายว่านั่งหรือนอนบนเตียงหรือหนังมังกรวางปีถังวานใช่ไหมแต่ว่าบนนะส่วนคําว่าอาภินี้เป็นเพียงอุปสรรคลงมาเพื่อทําให้บุตรสลสัดสูญเท่านั้นแต่แปลว่านั่งทับนอนทับก็ได้หรือว่านั่งเฉยๆก็ได้ครับเพราะฉะนั้นด้วยการกําหนดอย่างต่ำสุดของกุฏิ ที่สูงนะครไม่ได้ปูพื้นไว้ชั้นบนซึ่งมีลักษณะตามที่กล่าวไปแล้วพิสู่ใยนั่งหรือนอนบนเตียงหรือบนตังที่มีท้าสอดเข้าในแม่แค่ไม่ได้เป็นสลัดไว้ที่เขาวางไว้บนคือขั้นบนพอที่คือชั้นหน้านะครับสุดจะไม่กระทบศีรษะของมัชิมะบุรุษนะครบุรุตไม่กระทบรอะบศีรษะรของบุรุษกลางคน ไปมาแล้วนะพิสูจนั้นนะต้องบัดปามจิตตีตามจํานวนกิริยาอาการนะครับที่นั่งนง น, งนอนนนะกี่ทีก็ต้องนําข้อตัวตามกิรยาอาการนะไดที่กล่าวไว้แล้วในอนุปัฏชาสิกขาบท น, นะครับเตียงเนะี่ยถ้าว่าเตียงมีสี่ช่นยะวเตียงต่างนะบางอย่างมีขาสองไปในแม่แค่บางอย่างแม่แค่สองเข้ไปในขา ที่หนึ่งพ่อใครทำเลยใครทำต้งสองแบบใช่ั้มครับหรือมีขาเราไม่แคร่เขาต่อติดเป็นอเดียทำไปเลยทมันทำได้หลายอย่างไหะอย่างใช่ไหมครับที่พอได้ตรงนี้ที่ติดสองฝ้าตรงนีที่มาประกอบที่ลังเป็นหัวเทียนนี่อืมครับแต่แต่เนี้ยผมผก็ยังงองอยู่ดีว่าถ้าอุตติยข้างบนไม่มีคื้นแล้วจะเอเียนไปปูได้ยังไงไม่ใช่ ก็มีคามีขือไว้ก่อนนะครับมีถือไว้ก่อนเนะี่ยอันที่เป็นไม้เป็นตารางตารางตารางเนะนี่ยวางรูรีนี่ยเรต้องวางเพื่อรกระดานตู้มั น, นไม่้ม่ขืม่ื่นกวอยู่ไม่ได้เนี่ยข้าวเตียงวางได้ครับข้าเตียงวงังไว้ก่อนร่อไปตรงนั้นนะเตีงยงใส่้าไปเลยนะครับ ล, ลอเข้าไปตามช่องเลยมันก็จะมีตัวไม้มนตัวรองเตีงยงไ้ใช่ครับคามันก็อาจจะ อยู่ข้างล่างอะไรนะห้อยลงมาเลยครับหมายถึงว่าเทียนยกเทียงขึ้นไปตั้งบนเข่อมเลยครับเข่านั่นเลยครับเขาเขาใช่ใช่ใช่ครับทีนแล้วขาเตียงไม่ได้สลักัวแน่แนเลยครับมันก็เลยหล่นมาโดนหัวคนข้างล่างครับแน่สบายเลยนะครับเข้าเวลาเขาทําสมัยนี้ไม่ค่อยจะเจอที่ว่าเอาขาเสียบไปอย่างนี้น่ะมีไหมครับ ถ้าเป็นเตียงม้าน่ะหาเสียตรงเข้าไปอะไรอย่างนี้นะอ๋อครับแล้วว่าแม่แค่ก็เห็นผ้ามีขามีอะไรไม่แค่ไม่ได้ขานะครับคือตัวนี้เนี่ยเนี่ยนีส่วนี้แม่แค่ะ็ชอบในนี้แล้วก็อยาก ยังวมันอยู่จเข้าติดตัวนี้ครับเสียบเข้าไปเสียบไปเลยครับทำแบบให้แน่นๆก็ทาให้มันพอดีอ่ะพอมันตั้งอย่างน้มันจะหยุดได้ตัวนี้ไม่ต้องตีกูให้มันแน่นๆซะหน่อยใช่ไหมตอๆเข้าไปครับก็ปากเป็นอางนี้ครับและอันน่ะถ้าแม่แค่สาเขาไปในขาเป็นยังไงครับแม่แค่สาไปในขา อันนี้ไม่ใช่ไม่แค่สองเข้าไปในขาเลครับเนี่ยเนี่ยจะส่เนี่ยขาไม่ขาจระข้าวเนี่ขาเนี่ยไม่แค่ครับเนี่ยเราก็ต้องเอาแม่แค่น่สองเข้าไปในขาข้าวและแล้อีแบงอีแบงมนแล้วแล้วาามันจะอยู่อย่างี้มันจะมีตัวสลักอ๋อครมันจะมีตัวนี้ตัวสลักคอยยืดอีกทีใช่ไหมครับตัว ตัวตัวคานคนคันคันเตียงนะครับแล้วเขาจะหยาบไว้มันจะเป็นรูปนี้ครับอ๋ออยากไว้พอใส่ใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะติดล็อกเลยล็อกอยู่ลครับไม่ให้หล่นลงมานี่แหละจะจะล็อกติดกันอยู่เลยครับใครเจอแ้วสุดก็อี้นั่งที่ในหัวฉันนะกาอีตรงนั้นครับ รู้จะเข้ามาประกอบกันใช่คร เ, เขาจะเอาขาสองข้อไปแม่แค่หีือเปล่าดูดูแล้วนะมันก็เป็นตะี์ประกอบกันตัว ข, ขาว ม, มันนี่มันมมีครทำลเพราะว่ามันช้าใช่ไห ม, มต่ อ, อับปูเกลียวง่ายกา่อนใช่ไมครับตะปเกลียวเยอเออเข้าสะดวกนะเป็นเข้าใช่ไหมถ้ามันเข้าให้ตะปูเกลียวเลยเออ้า้มันเนื่องไปอันเดียวกันเลยไม่ต้องไปสว่าอะไรใช่ไหมครับ เนี่ยเป็นเตียงกันเลยอือเาะจะมีเตียงที่สอดขาข้าไปได้แม่แค่สอดแม่แค่เข้าไปในขาเตียงที่ยื่ติดนะครับขาก็้แม่แคบกันเดียวกัเลยแล้วก็เตียงที่มีขามันก้งปูขาเหมือนตั้งปูครับอที่ขามันงอเนี่ยนะมันที่ก็เหมือนราจะสีอะไรอย่างนะครับส่วนส่วนมากแล้วีนักทิ่ฉาการเขาตั้งเขาตั้งชื่นมา แต่ถ้าเป็นขาสิงจริงเอ่ะถ้าใช้ไม่ได้นะต้องทาลายให้ไม่เป็นขาสิงให้มันหมดลักษณะขอสิงออกไปนะครับเอาไปขาปูเดูนะขาม้าขาไอ้นี่งอเข้าอย่างนี้นะจะเจอลองดูเนะไอ้เก้าอี้ที่เข้าอะไรนะวางพุทธรูปน่ะโตที่วางพุทธรูปนะมันจะมีอันหนึ่งที่ขางอเข้าอย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนกันขาขางอเข้าถ้าไม่ทําเลยก็ไม่เป็นขาสิงอ๋อครับ ครับข้าหาสิ่งต้องทำเล็ดใส่เข้าไปด้วยครับอืมนี่เรามดูเหตุเกิดแัะประเคนอาบทศิคยาบนนี้นพภาคเจ้าทรงปารลบพิสอรูปใดรูปหนึ่งในมังสาวัฏถีบัญญัติไว้แล้วข้าเหตุคือการรีกนั่งหรือนอนทับเตียงหรือตังที่มีท้าเสียที่เขาวางไว้บนกุฏิชั้นลอยเนี่นี่แบลชั้นลอย ถ้ามันรีบนั่นั่ ง, งทับหรืแรงนะครับขามันก็เลยหลดเข้าองทองไม่ยดีนะเป็นสาธารณบัญญัติที่มีก็มีนะครับอันนั้นติการไม่เกี่ยวกับการใช้ใครไปนั่งไปนอนก็โดนอาบัดเองนะครับเป็นติการปัญตีคือเป็นของสองนะเข้าใจสงสัยทำผิดต้องอาบัดไปดนัย น, น, นะครับมันเป็นกุติของสองนะแต่ถ้าเป็นกุติส่วนบุคคลเนี่ยก็ยังต้องอาบัตินะครับแต่เป็นอาบัดทุกกฎ เป็นติการทุกข์กบอนาบัตที่สุดไม่ต้องราบัตเมือ่อนั่งในวิหารของตน้นอ้างปุตติสุนตัวมึมปัญหาใครมานั่งมา น, านอนข้างล่างเองอนี่มัอของเราไ <c oughs> ด้ครับหรือของพิสุผู้คุ้นเคยกันนี่ก็ได้นั่นก็ไปมันก็ปุตติยุติเกณฑ์นะเป็นปุตตสุตย์ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่เขาไม่มีอนาไงเขาไม่มีสองชั้นที่ว่านะครับ ปัญหาในที่ไม่ใช่กุฏิชังนลอยกุฏิพอกระทบศีรษนะได้คือก็เดินลอกไปข้างล่างแนละ้ไม่สะดวกนะนกระทบศีรษะพอเลยก็ต้องก้มตัวใช่ไหมท่านสติก็ไม่เอานะครับแล้วก็นั่งทับเตียงต่างที่ข้างบนได้ไเป็นเวนั่งบนเตียงต่างที่มีเท้าสอนนะครับในสถานที่ที่ไม่มีการใช้สอยเพราะข้างล่างใช้เป็นที่เก็บเท่าบสัมภาระเป็นต้อง ข้างล่างเขาเขาไ่ได้ใช้ไปนอนไม่ใช้สอยอะไรนะเอาไว้เก็บของไม่เป็นไรหรือในสถานที่ที่ข้างบนเ <c oughs> ขาปูแผ่นกระดาหษไว้หรือทําการฉาบไว้ด้วยปูไม่มีปนนะัญหาแน่นอนปูแผ่นะดาษเรียบร้อยหรือว่าเทปปูมาเรียบร้อยแนละ้วอันนี้ยังไงก็ไม่หล่นหรอกนะยืนบนเตียงหรือต่งที่มีเท้าเสียถึงจะอยู่ในที่นั้นหยิบวัตถุบางอย่างหรือผ้าของไว้ เพราะว่าข้อนี้เอาอิริยาบถ น, นั่งหรือว่านอนใช่ไหมนั่งทํานอนทับใช่ไหมครับแล้วขึ้นไปยืนเนะเพราะว่าจะหยิบของบางอย่างหรือว่าผ้าของไว้อันนี้ก็ได้นะครับนั่งอยู่ในสถานานสถานเปี่ยนนะนั่งอยู่บนเตียงต่าที่ได้ตึงสลับไวนะครับสอนลิ้มไว้ข้างบนมันมีขาสอก็จริงหรือก้อตึงสลับสอนลิ้มว้แล้วเนี่ยมันก็ไม่หล่นลงมาะครับนี่ก็ไม่เป็นไร และพิสูบา้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัดองคอาบัดสิครับวันนี้มีองสี่เหล่านี้คือหนึ่งวิหารเป็นของสงนะครับสุตติของสงสองนั่นร้านไม่กระทบศีรษะเลยศีรษะไปเดินลอดได้สะดวกนะครับสามพื้นข้างล่าง่ะใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ะนะเดินไปเดมาเป็นที่นอนที่อยู่ด้านะครับนี้สี่นะครับพิสูจนะนั่งหรือนอนบนเตียงหรือสัง ที่มีเท้าสอบไม่ได้ตึงสัะไ้เมื่อครบองศีนี่ก็ต้องบัดไปอีในสิกขาบทนี่ครับสมุท้านเป็นต้นเหนือกับนาเอลกะโลมาสิกขาบทอะไรอะไรครับสมุท้าเท่าไหร่ไห้ดูแลใช่ไหยตามนี่ยเขียนให้แลเขียนให้เลยขาถ้าไม่มีจิตนัคือ จะรู้หรือไม่รู้ว่าเป็นกุฏิสองใช่ไหมถ้าเป็นกุฏิสองแล้วก็ทำนะครับโดเทั้งนั้นนะถ้ามันจริก็รู้ทั้งรู้อันนี้เกี่ยวกับการอย่างเดียวพอไปนั่งทาหรือว่านอนท่นะครับมาจากไม่เป็นนะจบการที่มาเวหาสาักกุฏิสิบสามบอกเา